23. าจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวพุทธศักราช2486ป่าเทือกเขาเชียงดาวเป็นโรมนียสถานสำหรับนักปฏิบัติธรรมจนถึงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้บอกแกบ่บรรดาศิษย์ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นมงคลสำหรับผู้ปฏิบัติในประเทศไทยเชียงดาวนับเป็นหนึ่งเพราะเชียงดาวมีภูเขาสลับซับซ้อน มีถ้ำหลายแห่งเฉพาะถ้ำหลวงเองนั้นมีถ้ำอยู่ภายในอีกมากแห่งซึ่งแต่ละแห่งหล้วนเหมาะแก่ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสิ้นในปีพุทธศักราช2486ซึ่งยังอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองการจำพรรษาอยู่ที่เชียงดาวพรรษานั้นมีจำพรรษาอยู่ด้วยกันสามรูปคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนฟุจินโน และหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมการจำพรรษาไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันต่างแยกย้ายกันหาที่จำพรรษาให้เหมาะแก่ความสะดวกของตนกล่าวคือท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอยู่ภายในถ้ำหลวงหลวงปู่ตื้ออยู่ถ้ำปากเพียงหลวงปู่แวนขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่ต้นทานน้ำไหลวันพระแปดค่าและวันพระสิบห้าค่จึงมาประชุมฟังธรรม และทำอุโบสถบอกปริสุทธิ์วันปกติเมื่อฉันเสร็จแล้วทำกิจวัตรเสร็จแล้วต่างก็ไปสู่ที่ของตนในปีนั้นเกิดโรคระบาดแก่ชาวบ้านอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ประกอบมิจฉาชีพกันอย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมและกฎหมายบ้านเมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมีการลักขโมยปล้นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวัน การลักโคกระบือเขามาฆ่านั้นมีเป็นประจำการเกิดโรคระบาดก็ทําให้มีผู้คนล้มตายกันเกือบทุกวันบางวันมีการตายถึงสองศพสามศพก็มีทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากไม่เป็นอันทำ ม, มาหากินหนจังหวัดกลัวโรคระบาดหนจังหวัดกลัวพวกขโมยพวกปล้นเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนที่พึ่งก็คือพระ เป็นธรรมดาของชาวพุทธท่านอาจารย์ใหญ่ท่านสั่งให้ช่วยกันแผ่เมตตาท่านกล่าวว่าให้อยู่ด้วยเมตตาต้องแผ่เมตตาให้มากๆดังนั้นต่างองค์ก็ต่างแผ่เมตตาตามคำบอกของท่านอาจารย์ใหญ่แต่เป็นที่น่าประหลาดคือยิ่งแผ่เมตตามากเท่าไรความวิบัติของชาวบ้านยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณต่อมาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพิจารณาทราบมูลเหตุว่า เป็นเพราะกรรมของเขาไม่มีใครสามารถจะช่วยได้ท่านจึงบอกว่าถึงจะแผ่เมตตาอย่างไรก็ช่วยเขาไม่ได้มันเป็นกรรมของเขาเองโรคระบาดครั้งนั้นเกิดอยู่เป็นเดือนจึงสงบลงฆ่าชีวิตชาวบ้านไปหลายสิบคนส่วนการลักการร้นนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ก็เทศแนะนำสั่งสอนให้รู้จักโทษของการประพฤติทุจริต แนะนำสั่งสอนให้รู้จักคุณของการประพฤติสุจริตถึงท่านจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรเท่ากับเอาน้ำไปรดต่อไม้พวกเขาหาเชื่อฟังไม่ยังคงประกอบมิจฉาชีพกันอยู่อย่างเป็นล่ำเป็นสันอยู่นั่นเองจนถึงปลายสงครามทางการปราบปรามอย่างหนักบรรดามิจฉาชีพจึงหมดไปความสงบสุขจึงกลับมาสู่เชียงดาวอีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่เล่าว่าภายในถ้ำหลวงมีถ้ำพญานาคอยู่ถ้ำดังกล่าวนี้ต้องแยกขึ้นไปทางซ้ายมืออยู่เหนือถ้ำหลวงเล็กน้อยพื้นถ้ำมีก้อนหินเป็นรูปกงจักกับดอกบัวมีพญานาคเฝ้าอยู่ภายใต้แผ่นหินนี้เวลามีพระเข้าไปภาวนายอยู่ภายในถ้ำนั้นกระดุกกระดิกตัวก็ไม่ได้เป็นต้องถูกพญานาคกล่าวโทษทันทีว่า สมณะอะไรช่างไม่สำรวมขนองกายเหมือนเด็กๆถ้าเดินไปสะดุดเอาก้อนหินดังก้าแกรกเขาก็กล่าวโทษว่าสมณะอะไรจะเดินจะเหินไม่สำรวมระวังรีบไปรีบมาเหมือนม้าแข่งไม่ว่าจะทำอะไรระวังอยู่ทุกอิริยาบถถึงอย่างนั้นก็ไม่วายจะถูกตำหนิตีเตียนพญานักนี้มีอัธยาศัยชอบพอกันกับพระมหาบุญ ถ้าพระมหาบุญเข้าไปอยู่ในถ้านั้นไม่ว่าจะทำอย่างไรเช่นทำเสียงกระแอมกระไอเดินเสียงดังทำก้อนหินตกเธอก็เฉยไม่แสดงกิริยาอะไรต่อต้านเพราะมีจริตเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่ได้นานๆเพราะถ้ามีอากาศเข้าได้ทางเดียวคือทางปากถ้าเมื่อเข้าไปข้างในถ้าปิดประตูอากาศเสีย อากาศเข้าได้น้อยทำให้เกิดความอึดอัดหายใจไม่สะดวกยกเว้นหลวงปู่มั่นองเดียวท่านเข้าไปอยู่ได้เป็นวันวันท่านเคยเทศแนะนำพญานาคแต่เธอไม่ยอมรับตามคำแนะนำเพราะยังอาลัยอัตภาพปัจจุบันอยู่ในที่สุดท่านเห็นว่าเข้าไปทำความรำคาญให้แก่เธอจึงไม่เข้าไปอีกต่อไปถ้ำพญานาคนี้ หลวงปู่แหวนเข้าไปอยู่หนึ่งวันหลวงปู่ตื้อเข้าไปอยู่สามวันซึ่งแต่ละองค์ที่เข้าไปอยู่ถูกพญานาคตำหนิกล่าวโทษเอาทั้งสิ้นอยู่ไม่ได้เพราะส่งจิตออกไปทีไรเห็นแต่พญานาคคอยจ้องจะหาเรื่องตำหนิเอาเมื่อต่างองค์ต่างก็เห็นว่าจะทำให้เธอสร้างบาปสร้างกรรมหนักเข้าไปอีกจึงช่วยเหลือเธอโดยการไม่เข้าไปอยู่ในที่อยู่ของเธออีกต่อไป ในระหว่างพันษานั้นวันหนึ่งประมาณห้าโมงเย็นขณะที่หลวงปู่แวนกำลังเดินจงกรมอยู่มีเสียงดังโครมเหมือนกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาจากต้นจึงเหลียวไปดูตามเสียงนั้นภาพที่ปรากฏแค่สายตาในขณะนั้นแทนที่จะเป็นกิ่งไม้ใหญ่หักกลับเป็นร่างใหญ่ร่างหนึ่งเอาเท้าห้อยอยู่บนยอดไม้หัวห้อยลงมา มีผมยาวรุงรังร้องเสียงหวยหวนหลวงปู่เล่าว่าท่านเองไม่นึกกลัวอะไรคงเดินจงกรมกำหนดจิตพิจารณาธรรมอยู่ร่างนั้นเมื่อเห็นว่าหลวงปู่ไม่กลัวก็หายไปสองสามวันต่อมาเขาก็มาอีกในลักษณะเดียวกันกับครั้งแรกหลวงปู่ก็ไม่สนใจคงเดินจงกรมอยู่วันต่อมาเขามาแสดงทุกวัน แต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาใกล้และไม่ได้ทำอาการอย่างอื่นนอกจากทาดังกล่าวมาแล้ววันหนึ่งจึงกำหนดจิตถามเขาดูว่าเขามาต้องการอะไรถามครั้งแรกเขาทำเป็นเฉยเหมือนไม่เข้าใจในคำถามเมื่อถามหลายๆครั้งเขา้าเขาจึงบอกว่าต้องการมาขอส่วนบุญถามเขาอีกว่า แต่ก่อนเขาไปทำกรรมอะไรหรือจึงต้องมาทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพเช่นนี้เขาได้เล่าบุพกรรมของเขาดังนี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ผมอยู่ที่เชียงดาวนี้เองมีอาชีพลักเขาบ้างร้นเขาบ้างวันหนึ่งก่อนไ ป, ปร้นผมเอาดอกไม้ทุกเทียนไปบนไว้กับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ้าเพื่อขอความคุ้มครอง ซึ่งก่อนนี้ก็เคยทำอย่างนั้นมาทุกอย่างทำงานทุกครั้งไม่เคยผิดพลาดสำเร็จมาด้วยดีทุกครั้งแต่มาคราวนี้ผมบนแล้วก็ไปปล้นเขาโชคไม่อำนวยเจ้าของบ้านเขารู้ตัวก่อนเขาเตรียมสู้ป้องกันตัวไว้อย่างดีพอผมเข้าไปปล้นจึงเกิดการต่อสู้กันกับเจ้าของบ้านผมถูกเจ้าของบ้านฟันได้รับบาดเจ็บสาหัสหนีมาได้ผมโมโหมาก กลับไปที่ถ้าไปต่อว่าพระพุทธรูปองค์นั้นว่าทำไมไม่ช่วยอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วว่าแล้วก็เอาขวานทุบเสียนพระพุทธรูปจนคอพระหักเพราะทำงานไม่เคยผิดพลาดอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อทำร้ายพระแล้วความโกรธนั้นก็ยังไม่หายคิดอยู่แต่ว่าถ้าหายป่วยเมื่อไหร่จะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านให้สะสมอีกครั้ง ด้วยบาดแผลที่ได้รับจากอาวุธผมได้สิ้นชีวิตลงในการต่อมาเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวหลังจากตายแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอัตภาพที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่นี้แหละไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะพ้นโทษอันนี้ไปได้ขอพระคุณเจ้าจงแผ่เมตตาให้สัตว์ผู้ยากไร้ด้วยเวลานี้ความทุกข์ท่วมทับไม่มีวันเวลาขอความเอ็นดูแผ่เมตตาให้ เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับอยู่นี้ด้วยหลวงปู่เล่าว่าเมื่อท่านได้ฟังบุพกรรมและได้ฟังความอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาเช่นนั้นจึงสำรวมจิตแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้จะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่ทราบเพราะกรรมของเขาหนักเหลือประมาณแต่เมื่อตั้งใจแผ่เมตตาให้แล้วเขาก็หายไปนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยเปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่เพราะพูดผมเป็นแต่เท่าที่เคยประสบมาพวกนี้เขามักใช้คำพูดแทนตัวเขาว่าเราหรือไม่ก็ข้าพาเจ้ามีที่เชียงดาวนี้แหละที่พูดว่าผมจึงนับว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่บรรดาสัพท์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกมาถึงตัวมักจะไม่เห็นคุณของพระศาสนา มัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกกงจากเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้าที่เพื่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปเสียแล้วความดีนั้นเราต้องทาอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมั่ คือทางดำเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้จะตายจึงนิมนต์พระไปให้ศีลให้ไปบอกพุโทโธหรือตายไปแล้วบอกให้รับศีลเช่นนี้เป็นการกระทาที่ผิดทั้งหมดเหตุว่าคนเจ็บจิตมัวติดอยู่กับเวทนาชะไหนจะมาสนใจใยดีกับศีลได้เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะระลึกได้ เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วแต่ส่วนมากใกล้ตายแล้วจึงเตือนให้รักษาศีลส่วนคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ก็ดีไปอย่างเหมือนพระเทวทัตทำกรรมมาจนถูกแผ่นดินสูบเมื่อลงไปถึงทางจึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าขอถวายคางเป็นพุทธบูชา พระเทวทัตยังมีสติระลึกได้จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคตแม้เปรตตนนั้นก็เหมือนกันตายไปแล้วจึงมาขอส่วนบุญเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำอันตรายแม้พระพุทธรูปแผ่เมตตาให้ไปได้รับหรือไม่ก็ไม่รู้สู้เราทำเอาเองไม่ได้เราทำของเราได้มากน้อยเท่าไหร่ก็มีความปีติเกิด อ, อิ่มใจเท่านั้น ทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุกายก็เป็นเหตุอันหนึ่งว่าจาก็เป็นเหตุอันหนึ่งใจก็เป็นเหตุอันหนึ่งกายทุจริตเป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งการละกายทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งการละวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง การละมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเราก็ทำเอาสร้างสมเอาอย่ามัวเมาเป็นอดีตเป็นอนาคตอดีตก็เป็นทำรรเมาอนาคตก็เป็นทำรรเมามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นทำรรโมสิ่งในที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้ว เราไม่สามารถจะไปดัดไปแปลงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วเช่นกันอนาคตก็ยังไม่มาถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไร อย่างมากก็เป็นแต่เพียงการเดาการคาดคะเนเอาว่าควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ปัจจุบันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบันทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ เราต้องการความดีก็ต้องทมให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นในปัจจุบันนี้ทำทั้งหลายไหลามาจากเหตุอย่างนี้ถ้าเหตุเราทำไว้ดีแล้วผลมันก็ดีตามเหตุถ้าเหตุเราทำไว้ไม่ดีแล้วผลก็ไม่ดีตามเหตุเหตุและผลต้องสัมพันธ์กันเสมอ เป็นแต่ว่าคนเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียไปกับอดีตกับอนาคตเพราะทั้งอดีตและอนาคตต่างก็เป็นทมเมาด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้เขาผ่านไปสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่มียังไม่เกิดถ้าปัจจุบันดีอดีตมันก็ดีอนาคตมันก็ดีเพราะปัจจุบัน เมื่อผ่านไปมันก็กลายเป็นอดีตถ้ามันยังไม่ผ่านไปมันก็เป็นทางดําเนินไปสู่อนาคตเป็นเข็มชี้บอกอนาคตดังนั้นเราต้องทำเหตุให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะได้สิ่งที่เราปรารถนาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์ใหญ่ให้โยมนําไม้เข้าไปทำแคร่ให้ท่านอีกแห่งหนึ่งที่ถ้าเจดีอยู่ลึกเข้าไปข้างในถ้าหลวง เมื่อเขาทำแค่ที่อยู่ให้เสร็จแล้วท่านเข้าไปอยู่ภายในถ้ำนั้น9วันเก้าคืนโดยไม่ออกมาเลยในวันที่สิบท่านจึงออกมาหลังจากกลับจากบินท้ำบาทฉันเสร็จแล้วท่านจึงเล่าให้ฟังว่าท่านเข้าไปช่วยเจ้าของผู้สร้างเจดีเขาห่วงเจดีของเขาเขาไปไหนไม่ได้ท่านจึงไปช่วยแนะนำเขาเวลานี้เขาไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามคาว่าเขาไปแล้วนั้นไม่รู้ว่าใครไปไหนได้กราบเรียนถามท่านท่านเองก็ไม่ได้อธิบายพูดเพียงเท่านั้นวันต่อมาขณะที่เตรียมบาทจะไปบิณฑบาตอยู่ท่านอาจารย์ใหญ่พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่ภาวนาอยู่นิมิตไปว่าบนยอดเขาเชียงดาวนี้มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง เป็นที่อยู่ของพระปัจเจกุูธเจ้าในสมัยโบราณถ้านั้นกว้างขวางหน้าอยู่แต่พวกเราไปอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีอาหารนอกจากไม่มีอาหารแล้วขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีทางขึ้นท่านพูดแล้วก็นิ่งอยู่เมื่อเห็นท่านนิ่งอยู่หลงปูตื้อจึงพูดขึ้นว่าวันนี้ฉันแล้วกระผมจะขึ้นไปดูได้ไหมท่านอาจารย์ใหญ่กล่าวว่า จะขึ้นไปได้อย่างไรมันไม่มีทางขึ้นหลวงปู่ตื้อพูดว่าไม่มีทางขึ้นก็จะลองดูคงจะพอมีทางบ้างท่านอาจารย์ใหญ่ก็นิ่งอยู่ไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะทราบนิสัยกันลีว่าหลวงปู่ตื้อมักจะทำอะไรแฝงๆอยู่เสมอแม้แต่เถียงท่านอาจารย์ใหญ่ก็เคยเถียงซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สาหรับองค์อื่นแล้วอย่าว่าแต่เถียงเลย ทำอะไรไม่ถูกแม้เพียงเล็กน้อยท่านก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ต้องเทศกันเป็นเรื่องเป็นราวไปทีเดียววันนั้นเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็ลองขึ้นไปดูเดินค้นหากันอยู่นานมองเห็นยอดหนึ่งสูงชะลูดขึ้นไปเห็นว่าเป็นที่แปลกกว่าที่อื่นๆจึงปีนขึ้นไปดูเมื่อขึ้นไปใกล้มองเห็นปากถ้ำอยู่แต่เมื่อสำรวจลู่ทางที่จะขึ้นไปหาถ้ำนั้นไม่มีทางขึ้น หลวงปูตื้อได้พยายามจนสุดความสามารถจะขึ้นไปให้ได้โอนถาวันขึ้นไปเมื่อขึ้นไปสุดทาวันแล้วขึ้นต่อไปอีกไม่ได้จึงต้องลาถอยกันลงมาซึ่งก็ตรงกับคำบอกเล่าของท่านอาจารย์ใหญ่จริงๆเชียงดาวเคยเป็นโรมนียสถานของผู้บำเพ็ญสมณะธรรมในสมัยก่อนแต่การเวลาได้ผ่านไปจนถึงสมัยปัจจุบัน เชียงดาวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนทุกเพศทุกวัยเชียงดาวจึงเปลี่ยนสภาพจากกรรมนิยสถานของนักปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนกลายมาเป็นโรมนิยสถานสำหรับนักทัศนาจรเชียงดาวจึงกลายเป็นอโคจรสถานสำหรับสมณะผู้รักสงบคำว่าเชียงดาวเป็นสถานที่อันเป็นมงคลที่หนึ่งในประเทศไทยจึงเป็นเพียงอดีตอันไกลโพ้น